ฟังามกันนะัเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติและได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เ ค, เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่ไม่เข้าใจก็กาจจะเข้าใจได้วัไปบ่อยอาจจะทำให้ความสงสัยหมดไปจิตใจก็บวิสุดหมดจุดผองใสได้ แล้วก็มีหลักการมีวิธีการเรานั่งสวดมนต์ไหว้พระส0นาทีกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ร่มธรรมบารมของสอนที่เป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์มันคืออะไรั้งหมกคือเรื่องกายเรื่องใจของเรานี่หคือพระพุาตาย นหลักที่เราจะต้องมีกฎมีเกณฑ์มีวิธีปฏิบัติต่อกายต่อใจเราพระพุทธเจ้าเพราะธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็คือคนนรรั้นทเพราะธรรมก็คือคนนธรรมำพระสงฆ์ก็คือปฏิบัติตามคนนธรร้นทนั่นมิอยู่ที่เรานี่น้อมมาปฏิบัติ พระพรทธเจ้าก็มีคุนั้นลักษณะยอย่อดมีอยู่สีประการหนึ่งเมตตาที่คุณสกงกรลณาที่คุณสบริสุดที่คุณสี่ปัญญาที่คุณเพืให้คนได้ถึงปัญญาอันเป็นเวพ่อทางออกจากทุกข์ก็ต้องมีเมตตานำหน้าช่วยเหลือ สงสอนเมื่สอสงสอนก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสงสอนนั้นเรียกว่าปฏิบัติลงไปเรียกว่าการุณาทำสิ่งใดลงไปด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อสิ่งที่เราเมตตาการุณาดัานไม่หวังค่าตอบแทนเพื่อให้เขาได้ถึงปัญญา ให้เกิดปัญญาให้เขาได้ช่วยตัวเขาเมตานมหน้าเป็นสิงที่นำพาให้ถึงความสําเร็จแสดงว่าพระพุทธเจ้ามีเมตตาออกหน้า อ, อกตาคิดถึงใดประกอบด้วยเมตตาผู้จึงใดประกอบด้วยเมตตาทำถึงได้ประกอบด้วยเมตตาเป็นหลักเป็นจกณฑที่วัด ไม่ถ้าเรา่าดกับใครเด็ดขาดไม่ทำให้ขครเหลือล่อนเด็ดขาดมีแต่คิดจะช่วยเหลือยิ่งพวกเราเป็นสังคมเป็นครอบเป็นครัวผัวเมียก็มีเมตตาองกหน้าสำเร็จได้ถึงจุดหมายปลายทางได้เมตตากราุณาเลยพระที่เจ้าเป็นยอดดักรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีเปลี่ยนแปลง แม่แต่องค์ขริมาจับดาบไลยฟันผองถูกผองก็ยังลักยังเมตตาจะช่วยอยู่จนช่วยได้สำเร็จอสุดที่คุณปัญญาที่คุณให้เขาได้เกิดปัญญาคิดได้ขึ้นมาจากความดิบปุถุชนเมื่อใช่กายใช่ใจถูกต้องเป็นพระเรียบุคคลขึ้นมาเป็นบังเป็นผลขึ้นมาจฉผู้ปฏิบัติ นี่คือธรรมะเพราะทำนั่นก็คือทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วทบหวันที่เราทำความดีมีอยู่ที่กาที่ใจเอามาทำความดีอ ย, ยอะยื้แค่ในโลกน้วนี่อสิ่งที่เราต้องทำห่ายอย่าง เมื่อทำกรรมดีก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญางงกงามขึ้นมาพอให้เราได้ถึงมาถึงผลสีเหลือทุจริงยันติจะมีความสุขสีเหลือภูกรสํมาตาจะมีภูกระชั์สมบั ต, บบติภายนอกภายในสีเลนี้ผู้ติงยันติกลายเป็นนิพพานได้เมื่อละความชั่วทำความดี มีความดีให้เราทำมีความช่วยเราละเกิดขึ้นที่กาที่ใจนี่แล้วจังเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำความดีแล้วความชัว่วชีวิตของเราที่มีอยู่นี่เระส่งนั่นก็คือนำวกปฏิบัติปฏิบัติตงตงปฏิบัตดดิดีไม่ให้ผิดพลาด ไม่พูดผิดไปคิดผิดผิดทุกอยู่ที่ตัวเราที่สัมผัสเราวอมหลงไม่ถูกต้องปฏิบัตดิดีเปลี่ยนหลงไม่หลงดีแล้วมันทุกข์ไม่ดีเปลี่ยนให้มันไม่ทุกข์ดีปฏิบั ต, ตบิตงมาตงต่อตัวเองตองต่อคนอื่นตงต่อหน้าที่การงานตงต่อเวลาตงต่อสินต่อธรรมอยู่เสมอมั่นใจแน่ ปฏิบัติออกจากทุกเมื่อเหมือมนโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นไม่โกรธเมื่อเหมือมนทุกเปลี่ยนความทุกข์เป็นไม่ทุกข์นี่ปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสม่ำเสมอเป็นสถาบันแน่วแน่นนมัน่นคงมีมาตสถานเราเป็นครอบเป็กลัวเร า, เรามีความสามารถสร้างครอบกลัวให้เราเป็นสังฆ ข, ขึ้นมาเป็นสมัครีกันไม่ทะเลาะว่ากัน มั่นยจมีมาสถานตัดสินใจด้วความถูกต้องชอบธรรมอยู่เสมอรือมาสถานของการชาชีวิตมีความพยายามสร้างครอบครัวให้มีความสมามัคคีกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันนี่รียว่าพระสงค์พระสงค์พระพุทธธรรมคือคุณธรรมที่เราฝึกหัดปฏิบัติตัวเองให้บัดี ไม่ใช่ไปอาศัยคนอื่นความดีต้องให้มันเกิดขึ้นที่กาที่ใจเรานี่เมื่อมีความดีเกิดขึ้นที่กาที่ใจก็ชิงอื่นก็เกิดดีไปด้วยถ้าความไม่ดีเกิดขึ้นที่กาที่ใจชิงที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นอีกเยอะแยะไปเลยอุราณท่านจังว่าหวดพระพุทธอยาให้ถูกทองคําวพระธรรมอยาให้ถูกตาราใบลานหนังสือ ว่พระสองฆ์อยาให้ถูกพระลูกว้าหลานนี่ก็หลวงพ่อเขียนนี่คือหลวงพ่อกลมลูกของแม่ลูกของพ่อตอนนี้เป็นบูชันนี้บุคคลนั้นหนึ่งที่มีชีวิตเพื่อบอกความเท็จความจริงทำหน้าที่นำเล่าความถูกความผิดให้ฟังนี่คือพระสงฆ์เป็นสมมุติเป็นญัิ นี่ตัวมีตนพูดใน้ฟังอยู่นี่ชีผิดที่ถูกอยู่นี่ความหลงไม่ถูกต้องนี่ความไม่หลงถูกต้องพระสง์จะพูดอย่างนี้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติทำมาตามพระเจ้าสอนนำเอาสิ่งที่ทำมามันได้เกิดเมื่อเกิดผลก็ามาบอกว่าสอนคนอื่นให้รู้ตามงูชนผู้เชื่อฟังคําสอนของพระเจ้า ปฏิบัติชอบตอมเราทำไว้ไหนแล้วได้มาสอนคนเหื่อยลูดตอมนี่คือพระสงค์ไม่ใช่พระสงค์จะมาทำพิธีรีตองไม่บอกไม่สอนอย่างนั้นนี่เราจึงไม่รัตละตายเป็นอย่างนี้ว่าเรามีพระรัตตายจริงๆมั่นจจจริงๆรมีมาตรฐานของการใช้ชีวิตจริงจริงอยู่ร่วมกันได้ไม่เบียดเบียนกันจริงๆ สร้างอะไรใหมันกรกิดมาจริงๆให้มีความภูมิใจให้มีมีโอกาสยุใใบและไหว้ตัวงได้แล้วจึงมัน่นใจเรื่องความถูกต้องความผิดพลาดที่จะต้องแก้ไขทุกเรื่องทุกเหลาเมื่อเราทำความดีเกิดขึ้นมันก็เกิดความดีอีกมากมายหลายอย่างในโลกนี้ จะวามสงบร่วมเย็นร่วมกันเป็นสัตว์โลกร่วมกันเอาไปทำเอาไปบอกเอาไปทำให้ดูอยู่เห็นผู้ในฟังยังไรก็แบ่งกันกันสติปัญญาช่วยเหลือกันก็มีพระตาใตาจริงจริงเยเห็นหน้าก็เป็นทิพิ่งกันได้แล้ว แสางออกก็เป็นที่เพ่งกันได้แล้วอย่างที่เราอภิวาทนาสิริที่เราสวดให้เสียนีนก่อนอภิวาทนาสิริสนิจังบผู้ที่จะมีอายุวันนาจุขาพระต้องเป็นคนที่รู้จักก่อนน้อมทนตงกาบผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนิตยกมือไหวอ่อนน้อมทอนตงเหมือนองคมันไม่เข้มแข็ง มองคนนี้ดีดูคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าว่านั่นฟังเสียงทุกเสียงเหมือนชังพค้าโสณ น, น์อยู่ที่ไหนเย็นที่นั่นอยู่ที่ไหนมินิพพาอยู่ที่นั่นเห็นสงเด็จพระสังฆราชเขมรนี่ว้ายเจ๋งเห็นหน้ากันปั๊บสุตตาปั๊บยกเปลวไหวคมลงน่าหลักมากสังฆราชเขม็น เคยมาเดินธรรมญาตาร่วมกันอยู่ที่ภาคใต้เติมธรรมญาตาโอบทะเลสาบสงขารักษาทะเสาบเห็นธรรมยาตารักษาน้ามรบเทาปีที่สองสิบสามแล้วสังเกตเห็นหน้ากันศพตากับใครกันยกมือไว้ มีรอยยิ้มตลอดเวลาหลังตาก็ไปประเทศปูตานเห็นแต่คนยิ้มแยม้ยมยจ่มใสไม่น่าพูดอะไรเหมือนคนไทยเราแนละ้ว <c> ด <oughs> ิเห็นหน้ากันเลยสบตากนันนวลก็มองออกว่าไม่มีน้ำใจสมัยหนึ่งยันดุจิมาอยู่ด้วยใหม่ๆเป็น นักศึกษาหาเดินไปบ้านถ้าไปบ้านเดินไปกัถามไม่ไม่ได้ทิ้งกันเลยเสร็นหน้าการถามยังไงลองก็ถามยอดเยีเ่ยมเหตุใดเราไปทำ ไ, ได้แล้วหรื อ, อยังดำนาเสร็จหรื อ, อยังอาจารยก็ตอบยู่กี่ในี่เพิ่งใจ คนหน้าใครก็ถามปรเทศญี่ปุ่นเขาไม่มีถามกันเดินผ่านกันไปได้เลยคนหน้ากันไม่ถามกันเดินผ่านกันตลยไม่ถามกันช่วยกันก็ไม่เป็นแล้วพอไปช่วยเขาเขาไม่ช่วยเลยเขาปิเสธเลยเขาเขาไม่พอใจเดินขึ้นลอยชูเทปด้วยกันใช่ไมแมตอนนูน้อยู่โน่นไปเที่ยวลอยชูเทปเดิน จอดมุงเลยถึงเคียงไปเดินขึ้นโดยจุธิบโป้นั่งรถเราไม่มีเงินนั่งรถเดินขึ้นไปเดนินไปกับคนญี่ปุ่นก็เราตรงสายเป้ใหญ่แล้วก็วางเป้ลงนอนหายจะเงแยบชิ่งแ บ, บ, บอยู่แล้วก็ยืนดูมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเราจะช่วย มนลไมไหมมก็ยืนเราไม่นั่งยืนอยู่ข้างๆเดินไปเดินมาอยู่อมันลุกมันเอาไปใส่แขนมันนั่งอยู่ันยืนขึ้นเหมือนยืนไม่ไหวมันเซ่มันหนักเป้เราก็รีบไปยกเปช่วยมันฝัดมือลยไม่ช่วยเลยก็นั่งลงไม่ยินดีให้เราช่วย รำขี้อีกเสียอีกแล้วรีบไปยกอีกเราก็ดูรายไม่เป็นยกุกเอช่วยเสดไม่พอใจอย่างมากเออก็เลยมาเข้าใจเขาก็ยามช่วยตัวเองดีแล้วดีแล้วแล้วก็คิดหัวโนใจไม่ได้โกรธเขาเพราะว่าว อ, อย่างเาช่วยเราเราจะช่วยตัวเองใครที่จะช่วยตัวเองนะไม่เรียกร้องความช่วยเหลือนะร่างกายเลยแต่ว่าบางคนเราก็ต้องช่วย เขาเมื่อหลังคดเราก็ต้องจูงกันเ <c oughs> ข้านอนนี่น้ำใจกันตายช่วยเหลือกันบางถ้าพอช่วยเหลือให้เขาช่วยตัวเองกันบางสอนลูกสอนหลานก็สอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองบ้างเห็นแม่เลี้ยงลูกแองพ่อก็เยี่ยมลูกสร็จกนหนึ่งทำให้ลูกเล็กเกกอนหนึ่งกำลังซุส้สโน สามแก้วแตกสามแก้วแตกแก้หลุดมือแตกแม่เขาไม่พูดอะไรไม่ได้พูดโวยวยอะไรเหมือ น, นแม่ทั่วๆไปเพราะเขาเคยฝึกการคิดใจกรรมฐานแล้วก็นั่งลงวาดสัญลักษณลูกแล้วเอาไม่ขวดมาบอกให้ลูกเอาไม้ขวด เอากระ บ, บามาเอาไม้ขวดให้เขาขวดเองไม้ขวดแก้วเส่กระบาให้เขาขวดเองให้หมนหมดนะลูกนะก็ขวดแก้วเสร็จหน้ามันเลอะก็เ ป, ปลวผ้ามาเช็ดให้สะอาดให้เขาเช็ดเองให้เขาแก้่วแตกก็ทิ้งใส่ถังขยาก็มาสอนลูกคือหลังจบดีเรียนลูกนะมือ ล, อลูกหัวลูก เออนี่เช้ได้แบบนี้เช้ได้ไม่โวยวายบางีลูกทกําเยี่ยวได้เพ้ยนเอออะไรกินอาจีหัวมือเสียหายมาเด็กมันก็ไม่รู้จักไปด่ามันไม่ใช่สอนมันไม่ค่อยได้พุทธิยนจีตใจเด็กก็ไม่ได้ถูกแม่ด่าสัแล้วแล้วทีรู้จักน่านใจเลยถ้าขา่าด้านนหะชวยโอกาสดีด ใช้การตัดีมันจะเขียนคุนเห็นค่ายิ่งเราอดกัน่นอดทนไม่โกรธในเขาที่โกรดนิ่งเแลาคนหนึ่งดูด่าเราอยู่โดานิ่งี่ามันจะเห็นคุณค่ายอมแพ้ไม่อภายให้อภายญทานไม่ถือโทษโกรธเคืองคนร้ายคนดีคน อ้าเขาปลุกเราไอ้ก็อยากไปทีสาเขาขเขาหลงเรานิ่งจะเขาก็จะเห็นคุณ่าเราเราไปโกรธถ้เาเราคนหนึ่งโกรธคนหนึ่งโกรธตอบคนที่โกรธตอบก็ง้อสองเท่าของคนที่โกรธก่อนเป็นบาปสองเท่าว่าเราจึงนี่ยเมตตาที่คุนนำหน้าไปก่อนมองเรื่องทีไปก่อน ทำอะไรได้สำเร็จถ้ามีอะไรแต่ความอใจความมั่นพอใจองนะ่หน้ามันก็ทำไม่ได้สําเร็จทำเงานทําการก็เช่นกันมีน่น า, านใจโบราณลูกพริกกลูกถั่วเอาถั่วลงหลงเปิดหลวงนกกินบินบุญคนกินเป็นทานแบบนี้นาใจแบบนี้เป็นมันดี ก็มีน้ำใจคนวอนรอนคนกินเป็นวุ่นนกกินเปนทานให้จะอยู่ได้กินเหลือกินเหลือทานเรื่องลูกเรื่องหลอนมีน้ำใจอา จ, จารย์ของเรารู้จักสัมผัสกันได้กับต้นไม้ให้ความรักปลูกกระดูกให้ความรักให้ลูกน้อก็ให้ความรัก ตามการลองปา่าเมตตาออกหน้าอย่างนี้จึงจุดชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นพระลักษณตายอันนี้เป็นชาวพุทธแท้เห็นก็เป็นชาวพุทธเราไปเที่ยวต่างประเทศเห็นลักษณะท่าทางผู้คนเรามองออกว่านี่เป็นชาวพุทธแสงออกเป็นผ้าชาวพุทธอ็ไม่ผิด ต้อตนอยู่ในชีวิตทั้งชีวิตแต่เลยว่าจะจะมาวัดวันพระวันเช่นไม่อยู่บ้านเป็นหนึ่งไม่ใช่เป็นนิสัยเป็นปัจจัยได้แบบไ้เผลินไม่ผิดแบบผิดเผลินทางจิตวิ ญ, ญาณมีหลักมีหลักมีเชนจิตวิญญาณไม่เลอะเทอะบริสุทธ ปกติทาหาจชิ้นก็ถูกต้องรับประจัยสีทุกความถูกต้องชอบธรรมไม่ระเบียบวิ น, นัยการใช้ชีวิตในบ้านในเรือนในถนนทางเพื่อไม่เกิดกามหลดล้อนต่อตัวเองและคนอื่นเมอหมีสังคมเกีย่ยวข้องกับสังคมอย่าเป็น ตกหมูแล้งเป็นแล้งตกมูกาเป็นกามันก็ควบคุมไปทั้งหมดเลยจิตวิญญาณจิตเศ ร, รษฐกิจสังคมระเบียบวินยัยมันไปผู้หน่งไปหมดเลยถ้าเป็นชาพุทธจริงๆนะหนูหน้ากันก็ลู้วเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นนี่นีน่นเป็นญาติกันในทางการละานะมิตรกันละยานธรรม มาทอดมาเที่งการให้ตาที่คนเป็นตัวนำคนของทธิจ้าเรลกอความช่วยทำคามดีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงจากปฏิบั ต, บ ต, บติเป็นสถาบันหรือว่าพระสงฆ์หรือว่ า, ส, วาสังฆะคือหมู่คณะอยู่ในวัดก็มีสังฆะเป็นความสมัครีกัน อยู่ในบ้านก็เป็นสังฆะสามัญคีการเพราะแม่ลูกหลานเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ดีดีกว่ารั่วบ้านที่ดีเดี๋ยวนี้เพื่อนบ้านมันก็จะมีแล้วพ่อเคอยไปถามหาบ้านโยมที่กรุงเทพบ้านติดกันเขาไม่บอกเขไมบอกใส่เข้ามามลูกบ้านคนน้องเที่ยนี่ยคนนงเที่ยวไดไหม บอกว่าไม่ช่วนะเราไม่บอกกันนะเรไปดูกันจ่ไม่หนึ่งไปอยู่ผมที่ไปอยู่วัดชมปรธานปีนั่นนา้าท่วมใหญ่มีพระลูกหนึ่งนะบวชเรมีครอบครัวตอนนี้ขันยาโทรมาบอกว่าน้มท่วมมันมีใครช่วยเหลือมาลาหลวงพ่อผมไาช่วยเหลือทางบ้านได้ไหม ก็บอกว่าไปได้แต่ว่าต้องมีพระสงฆ์ไปด้วยกันเป็นเพื่อนไปด้วยกันไปช่วยกันถามท่วงไฟไหม้โจรป่นที่ให้ไปช่วยได้แม่ในพรรษาก็ไปช่วยได้ไม่ขาดพรรษาไ้เถอะไปไปช่วยก็ไปช่ว ย, ก, วยกันบางคร้กันก็ไม่ค่อยดูเลยแก่ว่ามาเช่ นะทัง้งหมดนะคนดีในกรุงเทพเป็นนักรักษยิ่งกว่าคนบ้านตาเตินทองถ้ามาโปฝ่าที่นี่เมื่อไหร่ดังนั้นว่าเห็นคนกรุงเทพแมนบ้างหรือกรุงเทพมากกันเดี๋ยวนี้แรกจะเป็นกรุงเทพทังนั้นกลับมาโชวชนลั ง, ลงหัวเรื่องธรรมชาติมากที่สุด ทูลหลองก็เป็นเทพเป็นส่วนใหญ่วัดป่าสุกตเป็นค น, นองเทพส่วนใหญ่ผู้่านไปดูวันนปดป่ดาสุโตอาชีพจันพระสงฆ์ที่นั้นทำอลไรใหญ่โตยกทท่งน้ำวันนั้นเราพาไปดูกระจต้ม อ, อารถเครนขนานะหลายล้อยเป็นร้อยตัน น, น <c oughs> อ่นยกมันเป็นตกลม ลอ้อใหญ่ๆถงทั่วหัวเนี่ยตกลงไปจมหมดเลยเอารถมาโกมาเด้งบอกว่ามันไปไม่ได้ดอกเนี่ยเอาเครืงขึ้นมาก็กลับบ้านช้าเรเดินเีกต่อไปข้างหน้ามันจะหนักไปข้างหน้าเนี่ยเรสั่งให้หยุดไว้ก่อนจะเย็นๆค่อยๆทาําไปล้วไปเมื่อวานนี่เขาบอกว่ารพ่ไปดูช่างหน้ามันด้วย พอหลวง่อหนีไปพู้ผมยกขึ้นเลยเลยโอ้โาสองวัดฟ้ดาสกุกตัวจริงจริงเิงจะมาีกันจริงเกิงเห็นวัดทุกวก็จองกันไปเห็นวางเห็น พ, กนพนากันเขียนภาพเขียนป้ายช่วยกันแต่ไม่อยาตาย หลวพาที่นั่ก็ยันขันแข็งสองวัดแต่วัดพุทุลุงนี่ก็มีแต่ทนนีน้ทำอะไรเฉยๆปูป่าสาเร็จปูป่ายังไม่สนเร็จมาเดี๋ยวนี้นะเออสุขส ต, ตัวสำเร็จนะเปลี่ยนป่าหญา้าคาป่าปงเป็นป่าเห็ดหลังงอกเก็บมันไม่เป็นหรามะ อันนี้ยังไม่ยังไม่สำเร็จเลยแล้วมาถมาแจกไ้เตะหลัอนะเดสภาพยนุ่มก่นีิผ้าเรผมผมปลกปอนเถก่อนอย so, <affe> ู่เทยอันนี้ก็เท่านี้กจะมาถานิ